คุเขามองอย่าว่าผมขึ้นรถโรงเรียนรุ่งอรุณอะพระทำไมมาขึ้นผมก็งงนะแล้วรู้ไหมผมผมขึ้นแล้วหลพ่อท่านสอบลมแบบไห น, นท่านแต่ที่ท่านจะถามว่าอย่างนั้นท่านไม่ถามนะอ้าวสองบสงบสอ บ, สอบสอเสี้วสวสวสยวนะัวซาให้หน่อยท่านบอกว่าคัวาซาัวซาแล้วจากคัวซาไหมเออขนะดอ้าวครัวก็กลัวเราเราก็คิดเป็นอ้าวรครัวก็กลัวว่าอย่างงี้ไงเออท่านจะทําให้จิตเราเปลี่ยนแค่ว่าเราอาัติเชื่อย่างนี้ถ้าท่านแต่แต่ผมก็รู้ว่าคือการสอบรมหรือว่า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 เราจะไม่ฟังคําพูดคําพูดเนี่ยมันมันเหมือนมันเหมือนกระดาษห่อของอะ่ะใช่ไหมเด็กเราจะกินจริงๆแล้วไม่ได้กินกระดาษนะเราไปกินของที่เราหอ่อจะเป็นข้าวเป็นผลไมล้อะไรต่างเหมือนกันคําพูดมันเหมือนกระดาษห่อของมันผ้าห่อของนะแต่ของที่เราใช้จริงๆคือสิ่งที่อยู่ในผ้า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 สี่กิโชพุทธานมุปปโธการเกิดขึ้นพุทธภาวะในใจของเราอย่างสมบูรณ์แบบยากคือพุทธภาวะที่มันจะอุบัติอย่างสมบูรณ์นี่นะมันยากแต่เราต้องสั่งสมทีละนีด้ด้วยเกิดอุบัติพวกขึ้นมาเป็นพุทธานี่ยากนอกจากสมสัยสมพุทธานะดังนั้นว่าเป็นเช่นนี้ก็เรื่องของมรรคผลจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นเอง